ที่จริงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นใช่ครับคุณลุงทุกวันนี้ที่ผมไปคุยกับใครต่อใครแล้วเขามาสนใจเพราะผมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดแบบวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับแล้วพวกนี้เถียงผมไม่ได้เลยสักคำคือนอกจากเถียงไม่ได้แล้วอย่างอึ้ง จะไม่อึ้งได้อย่างไรในเมื่อตัวผมเองกว่าจะเข้าใจผมพิจารณาแทบตายคือผมต้องนั่งจิตสงบสงบและพิจารณาทีละนิดทีละนิดพอเข้าใจแล้วจิตผมโล่งเลยคือคนเขาไม่เห็นเป็นวิทยาศาสตร์เพราะว่าเขาไม่เห็นถ้าเห็นแล้วก็อย่างคนตายมันไม่มีรู้มันไม่มีจิต ใช่ครับถ้าเกิดจิตมันยังไม่นิ่งนะครับอย่างที่คุณลุงบอกว่าเหมือนกับการวิดน้ำโอ้โหท่านน้ำยังเต็มบ่อมันจะไปวิดปลาอีท่าไหนละครับมันก็แทบตายคนพวกนี้จิตไม่เคยเป็นสมาธิเลยมันจะไปคิดเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรจริงๆแล้วยิ่งผมอธิบายผมก็ยิ่งเข้าใจว่าง่ายนิดเดียวสมัยก่อนรู้สึกยากเหลือเกิน เกินตัวนะครับพอเราไปอธิบายให้คนอื่นฟังโอ้ยจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะว่าพวกคุณสมาธิยังไม่เคยมีเลยไม่เคยทำด้วยถึงเวลาอยากจะได้แล้วก็เป็นโลกมีอะไรก็มาโอ้อวดแข็งดีแข็งเด่นกันแล้วมันจะไปได้กันได้ยังไงคือไปรู้เรื่องของธรรม รู้เรื่องของปริยัตมันก็ไอฟูงซา่นั่นแหละมันไม่ใช่ความสงบนี่ความสงบภายในจิตไม่เคยเห็นเลยไปพูดความสงบในพระไตรปิฎกนู่นมันก็คนละเรื่องกันเลยครับอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดนะครับผมชอบท่านบอกว่าความรู้ที่หมอเรียนมา มีตรงไหนบ้างที่เป็นของหมอโอ้โหผมฟังทีแรกนะครับสะดุ้งเฮือกเลยว่าเออจริงๆเราเรียนหนังสือมาเป็นกองๆนี่ถามว่ามีตรงไหนบ้างที่เราคิดขึ้นมาไม่มีเลยมีแต่ไปจําน้ำลายไปจําลมปากเข้ามาแล้วไปถือว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนของเราเป็นหมอเป็นเหมือบ้าบอใช่ไหมครับ คือถ้าเป็นของเราเวลาตายมันก็เป็นของเราถ้าตายไปแล้วก็ไปเรียนใหม่แสดงว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่หรอครับคือเอาแค่ว่าทุกวันนี้เวลาผมไปเห็นศพผมนึกถึงศพตัวเองเราก็รู้ชัวร์เลยตายไปนี่นะไอ้ศพนี้จะต้องลงดินอย่างแน่นอน แต่คนส่วนใหญ่ไม่คิดนะไม่คิดเลยก็ยังเห็นว่ากายนี้เป็นตัวของมันอยู่นั่นแหละผมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรการพูดธรรมานี่ยากเหมือนกันนะเรารู้อยู่แต่ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรคือพูดกันอย่างหยาบๆก็ นามรทมครับในเมื่อจิตไม่ได้แยกออกมาจากกายเลยจะไปเห็นว่ากายนั้นเป็นดินไปได้อย่างไรถูกไหมครับใช่ที่บอกว่าความรู้ที่เราเรียนมาเป็นของเราไหมจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราจริงๆแต่อย่างว่าไอ้ที่รู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง รู้ว่าที่เรียนมามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตัวนั้นตั้งหากที่เป็นของเราจริงไม่ล่ะพูดที่ไปเรียนนะครับคือจริงๆแล้วรู้นะเป็นรู้ของเขาแล้วก็ไปเอาความรู้อันนั้นที่ไปเรียนกับเขามาถือว่าเป็นของเราแล้วอย่างนี้อีกอย่างหนึง่ง อันนี้ละเอียดลงไปนิดนึงนะอย่างคุณหมอเรียนตำราเรียนใช่ไหมครับความรู้ในตำรามันไม่ใช่ผู้รู้แต่ผู้รู้ที่แท้จริงคือจิตที่ไปเรียนวิชาการแพทย์มาอันนั้นน่ะคือเราคุณหมอเข้าใจที่พูดไหมครับก็เท่านั้นเท่านั้นเองส่วนตัวความรู้มันก็เป็นสมมุติความรู้กับผู้รู้คนละตัวกัน รู้หมายถึงจิตแต่ความรู้หมายถึงสิ่งที่เราเรียนมาถ้าแยกกันอย่างนี้ได้ก็เป็นอันว่าเข้าใจคือผู้รู้มีอันเดียวแต่ความรู้นี้ไม่มีประมาณเลยนะทั้งโลกเรียนกันไม่จบแต่ผู้ที่จะไปรู้สิ่งทั้งโลกก็คือจิตดวงนี้แต่นี่ ถ้าหากว่าใครเห็นก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคุณหมอแล้วจิตมันเป็นเราไหมครับจิตเป็นเราไหมถ้าหากยังไม่ถึงพระอรหันต์ก็ยังเป็นเราอยู่ทำไมล่ะครับคือว่า ที่ไม่เป็นพระอรหันต์ก็เพราะยังมีเราเป็นเจ้าของจิตอยู่เมื่อเราหลุดจากจิตเมื่อไรก็เป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นแหละคือเหลือจิตล้วนๆโสดาสกิทาคาอนาคามันก็ยังมีเราเป็นเจ้าของจิตอยู่นั่นเองไม่บริสุทธิ์คือไปยึดนะยังมียึดมั่นถือมั่นว่าจิตเป็นเราอยู่ไม่สามารถจะล้างเราออกไปจากจิต เหมือนช้างมันมีเจ้าของขี่คออยู่ช้างก็ไม่เป็นอิสระจิตก็เหมือนกันจิตเปรียบเหมือนช้างเราคือควานช้างที่ขี่คอแล้วก็มีตะขอคอยเจาะหัวช้างเพราะฉะนั้นช้างตัวนั้นจึงไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นไทยแต่เมื่อช้างตัวนั้นสามารถสลัดควานช้างออกไปจากลำคอช้างได้ ช้างมันจะเป็นอิสระเป็นไทยขึ้นมาทันทีไม่มีใครไปบังคับขู่เข็นว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเสียใจตรงนั้นต้องดีใจตรงนี้ช้างก็คือช้างไม่มีใครมาบังคับช้างไม่มีเจ้าของเป็นบ้าไหมครับ ช้างไม่มีเจ้าของเป็นบ้าไหมช้างในป่าไม่เห็นเป็นบ้าเลยแต่ช้างที่มาอยู่ในบ้านเรามันต้องมีเจ้าของมันจึงต้องถูกใช้ถูกเอาไว้ลากจูงใช่ไหมส่วนช้างที่อยู่ในป่ามันก็เป็นอิสระไปถ้าไม่มีใครไปกดขี่ข่มเหงเอามาใช้ลากสุงเอามาใช้ขอทานตามถนน จิตที่เป็นอิสระก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติของเขาแล้วคนบ้าต่างจากพระอรหันต์ตรงไหนครับคนบ้ามันมีทุกอย่างนั้นเป็นเรานี่เป็นเราเราเสียใจเราดีใจเราร้องไห้เราหัวเราะ นั่นคือจิตของคนบ้ามีเราเต็มตัวเลยแต่พระอรหันต์ไม่บ้าเพราะไม่มีอะไรเป็นเราเลยนี่รู้แล้วจบนะคนบ้าร้องไห้ก็คือเป็นเราร้องไห้คนบ้าหัวเราะก็เป็นเราหัวเราะจริงๆแล้วไม่ต้องคนบ้าหรอกครับเรานี่แหละเปรียบเหมือนคนบ้าคนหนึ่งเพราะมันมาถือเรา ไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราที่อยู่ของเราเอาเข้าแล้วแผ่นดินทั้งโลกก็จะเป็นของเราเอาไปหมดเอาไม่มีพอด้วยโดยเฉพาะสิ่งที่สัตว์โลกชอบที่สุดก็คือเพศตรงข้ามอันนี้ยิ่งไม่มีวันพอใหญ่ได้หนึ่งเอาสองได้สองเอาสามได้สามจะเอาทั้งโลกเลย ถ้าสามารถคว้าผู้หญิงทั้งโลกมาเป็นของเราได้เราก็คงทำนะเพราะมันไม่มีพอพระพุทธเจ้าถึงบอกว่ามหาสมุรกว้างใหญ่ขนาดไหนก็ยังไม่กว้างขวางเท่ากับตัญหาที่อยู่ในจิตของคนมันไม่มีประมาณไม่รู้จบก็เป็นความจริงอย่างนั้นมีอันนึงนะครับคุณลุง เวลาจิตผมรัวมากๆมันปวดหัวปวดมากเลยครับปวดจนกระทั่งเวลาทำการทำงานทำแล้วมันไม่สบายแต่ยังทำได้อยู่แต่เวลาจะเอาไปคิดนั่นคิดนี่หรือว่าอย่างเช่นอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบนี่ไม่ได้เลยนะครับคุณหมอหมายถึงในขณะที่จิตรวมหรือ อย่างเช่นเวลาผมทำงานเวลาลืมตาอยู่นี่นะครับคือบางทีอย่างช่วงสองสามวันที่ผ่านมาจิตมันรวมปวดหัวครูบาอาจารย์บอกว่ากำหนดลงไปที่เท้ากระจายไปที่ส่วนอื่นเพราะว่ามันคือการรับรู้มันอยู่ที่สีสาเยอะรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นมันอยู่ที่หัวหมดเลยครับ คุณหมอทำยังไงในขณะที่จิตรวมคือที่ผ่านมาผมก็ได้อาศัยอันนี้กําหนดไปที่เทา้าอย่างปัจจุบันนี้ขณะที่จิตรวมคุณหมอเอาความรู้สึกไปไว้ตรงไหนไปไว้ที่เทา้าที่หน้าอกไปไว้ตรงไหน คือวันนี้ผมรู้ว่ามาอยู่ใกล้คุณลุงผมทำได้กำหนดไปไว้ที่เทา้าคือจริงๆนะครับเรียนคุณลุงวันนี้ผมมานั่งแปดตรงนี้ปัญหาหลายเรื่องถูกคลี่คลายไปอันนี้เป็นความมหัศจรรย์อันหนึง่งโดยที่เอาจิตไปไว้ที่เทา้าไม่ครับถ้ามานั่งตรงนี้นะครับคุณลุง กำหนดหน่อยเดียวปัญหาไม่ค่อยมีนะครับคือคุณหมอไม่ได้เอาจิตไว้ตรงไหนเลยไม่ได้ครับผมก็พิจารณาของผมตามปกติเลยนะครับอย่างเช่นขนอย่างนี้หนังอย่างนี้พิจารณาเดินไปตามปกติไม่ปวดหัวคือถ้ามาอยู่ตรงหน้าคุณลุงนะครับ ไม่เป็นหายเลยนะครับปัญหาหลายเรื่องนี่ทุกครั้งเลยนะครับเวลามีปัญหาอะไรนี่โดยเฉพาะหลังๆผมถึงได้ตรงมาที่นี่เลยคือในขณะที่คุณหมอกำหนดนี่ยากำหนดไปไว้ที่ใดที่หนึ่งแต่ขอให้กำหนดเอาไว้ทั่วไปหมายถึงว่าอยู่กับใจเรานะ ให้อยู่กับความรู้สึกทั่วไปที่กว้างๆใหญ่ๆความรู้สึกนี้บอกไม่ถูกว่าอยู่ตรงไหนแต่ก็รู้อยู่ถ้าทำอย่างนี้คุณหมอจะไม่ปวดหัวนะแต่ถ้าหากไปกำหนดไว้ตรงที่ใดที่หนึ่งมันก็หนักเหมือนเราทางานหนักแต่ถ้าหากคุณหมอฟังหลวงพ่อมันก็เหมือนว่าเอาจิตไปไว้ภายนอก ไม่ใช่เอาไว้ที่กายฟังแต่เสียงท่านจริงๆแล้วไม่ได้ฟังเสียงท่านด้วยซ้ํามาไว้ที่ความรู้สึกกลางๆเป็นกลางๆนะถ้าเราไปไว้ที่เท้าไว้ที่หน้าอกมันก็ไม่เป็นกลางมันไม่เป็นมัชชิมาแต่ถ้าหากเอาจิตธรรมดาธรรมดาธรรมชาติของจิตนี้เป็นกลางอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เมื่อเราทำความรู้สึกที่จิตนี้คือไม่ต้องกำหนดไปไว้ตรงไหนเลยเพียงแต่เราบังคับอาจจะบังคับความคิดไม่ให้มันเกิดขึ้นความคิดมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เราไม่ให้มันเกิดให้มันรู้ไปเบาๆก้างๆแบบทั่วไปคุณหมอก็จะรู้สึกสบายอย่างที่นั่งอยู่กับผมนี่คุณหมอไม่ได้กำหนดนะ แต่คุณหมอทำจิตปล่อยสบายๆไม่ต้องเอาไปไว้ตรงที่ใดที่หนึ่งแต่ก็รู้อยู่และรู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายภายในจิตใจจิตก็จะเบาและรวมตัวคือการทำสมาธิก็คือตัดสิ่งภายนอกออกจากตาหูจมูกลิ้นกายตัดสิ่งเหล่านี้ไม่ให้มันเข้ามา เอาเฉพาะที่รู้อย่างเดียวหรือว่าเอาไปไว้ที่ว่างอย่างเดียวก็ได้ถ้าหากว่าเราไม่เอาสังขารทั้งหลายเอาเฉพาะอากาศธาตุมันก็ว่างอย่างนั้นทำจิตของเราให้เป็นอย่างนั้นกว้างใหญ่ไพศาลกว้างไปขนาดไหนก็ได้แต่ไม่กำหนดไม่เอาไว้ตรงที่ใดที่หนึ่งเพราะจิตนั้นไม่ต้องการที่อยู่จิต เป็นอิสระจิตที่แท้จริงนั้นเป็นอิสระไม่จำเป็นต้องให้ใครมากําหนดให้ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าอยู่ตามธรรมชาติก็คือรู้ทั่วไปถึงแม้จะมีเสียงเราก็ไม่เอาเสียงมีกลิ่นเราก็ไม่เอากลิ่นมีความคิดเราก็ไม่เอาความคิดแต่ไม่อยู่ตรงกลางนี่ ตรงกลางๆสบายๆเบาๆตรงไหนเบาที่สุดเราเอาตรงนั้นตรงไหนที่ว่างที่สุดเราก็เอาตรงนั้นก็ทำสมาธิไปหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็คือเอามาไว้ที่พุโทโธก็ได้เอาพุโทโธเป็นหลักเพราะพุโทโธไม่ได้อยู่ตรงไหนพุโทโธนั้นเป็นกลาง ลองดูว่าจริตเราชอบตรงไหนเช่นคําว่าพุโทโธถ้าเผื่อยังไม่สงบเราก็เอายาวกว่านั้นคือยุบหนอพองหนอหรอว่าอะไรก็ได้ก็ว่าไปบางคนก็ใช้อรหังพุโทโธอิตติปิโสภัควานามามิหังอันนี้ก็ได้ให้มันยาวออกไปดูว่าจริตของเราสงบตรงไหน ก็เอาตรงนั้นเป็นหลักสำหรับผมเองถนัดที่จะมารู้อยู่กับผู้รู้ก็รู้อยู่อย่างเดียวอันนั้นก็เป็นจริษอย่างหนึ่งแบบไหนที่มันทำให้จิตเราสงบก็ใช้ได้ทั้งนั้นขออนุญาตถามนะครับคุณลุงเวลาเราคิดนะครับจิตเป็นคนคิดใช่ไหมครับหรือว่าไอเหนือจิตขึ้นไปอีก จิตนี่แหละเป็นผู้ใช้ความคิดเพราะจิตคือชีวิตนะครับเออจิตคือชีวิตเหรอครับใช่ไม่ใช่เราแต่จิตเป็นธรรมชาติ่ารู้ที่รู้อยู่คือตัวเป็นจิตคือตัวเป็นตัวเดียว จิตนี้มีคุณสมบัติที่จะเที่ยงได้ใช่ไหมครับที่ว่าเที่ยงก็เพราะว่ามันไม่ตายถึงพูดว่าเที่ยงชีวิตนะ่ะคือมันเป็นตัวเป็นเวลาคิดแล้วความจำได้หมายรู้มันมาจากไหนครับ ความจำได้หมายรู้เป็นขันอีกคู่หนึ่งที่มีอยู่เป็นธรรมชาติที่จิตเอามาใช้จิตเข้าใจว่าความคิดนี้เป็นของจิตเป็นส่วนหนึ่งของจิตคือจิตคิดว่าสังขารความคิดนี้เป็นเราเป็นจิตเองนะเป็นตัวจิตเพราะจิตมีผู้บงการไงจิตซึ่งเป็นตัวเป็นจึงเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ จริงๆแล้วความคิดมันก็เหมือนกับจอบกับเสียมเครื่องมือเครื่องไม้เพราะฉะนั้นจิตจึงเอาสิ่งนี้มาใช้เอามาคิดนู่นคิดนี่แล้วเหมา เ, าเอาความคิดนั้นมาเป็นเราคือเวลาเราจะคิดเราก็ต้องมีภาษาใช่ไหมครับครับใช่ ภาษาที่เราจำได้ก็เป็นสัญญาใช่เวลาเราคิดเราเอาภาษามาปรุงนั่นปรุงนี่ใช่ครับแล้วเวลาเราปรุงนั่นปรุงนี่เป็นเรื่องเป็นราวมันก็มีความหมายครับ ความหมายนี้มันมาจากไหนล่ะครับความหมายก็มาจากสัญญานั่นเองความจำได้หมายรู้แล้วก็หมายว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นความหมายก็ไม่ใช่จิตนะสิครับไม่ใช่แต่มันก็แนบติดกัน มันแนบติดกันก็ เ, เป็นคนละชิ้นคนละอันกันมาประกอบกันเหมือนรถนะครับคุณหมออันนี้พวงมาลัยอันนี้ยางอันนี้ตัวถังอันนี้เบาะอันนี้คัดซีอันนี้แหนบมันมาผสมกันเป็นรถก็เหมือนกับจิตกับขันเมื่อรวมตัวเข้ามาประกอบขึ้นมาเป็นตัวเรา เอาความเจ็บมาเป็นเราเอากายมาเป็นเราความคิดมาเป็นเราเอามาเป็นเราหมดนะครับมันก็ประกอบขึ้นมาเป็นคนหรือหนึ่งชีวิตเอามารวมกันหมดเลยแต่ถ้ามีจิตอย่างเดียวมันก็ไม่ต้องเกิดมันก็ได้แต่รู้อยู่เฉยๆไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีทุก ไม่มีสุขไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายแต่มันคนละอานกันเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบอนเวลาเราบริกรรมพุโทโธพุโทโธคือเราคิดพุดโทโธเือครับใช่เอามาผูกไว้ เพื่อว่าให้ใช้ความคิดน้อยที่สุดธรรมดานี่จิตจะเอาความคิดมาใช้ไม่มีประมาณเป็นล้านล้านอย่างอันหนึ่งจบไปอันใหม่ก็ขึ้นมาเป็นไปอย่างนั้นไม่มีประมาณเลยเรื่องของจิตนี่เพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะให้มันน้อยที่สุดให้มันฟุ้งซ่านน้อยที่สุดก็เอาพุโทโธมาผูกไว้ก่อน เหมือนเอาพุโทโธเป็นหลักท่านเรียกว่าเอาควายมาล่ามไว้ที่พุโทโธนี่แหละควายก็หมายถึงจิตที่โดนอวิชามันคุมอยู่เหมือนช้างช้างมีเจ้าของนะโดนควานช้างขี่คอควานช้างก็คืออวิชชาใช่ไหมครับใช่ ตัวจิตก็คือช้างใช่ถ้าเกิดว่าจิตที่ไม่ภาวนานี้เวลาเราคิดนั่นคิดนี่เหมือนช้างเดินไปนั่นเดินไปนี่ใช่หมครับใช่โดยมีความช้างเป็นผู้บังคับช้างไม่ได้เป็นอิสระ อย่างนั้นเวลาคิดมากๆก็เหมือนกับช้างเดินสเปสป่าเราสิครับโอ้โหเหนื่อยเลยไม่แค่เดินสเปสป่าเดินไปตามอาวิชาที่มันสั่งนะจะให้ไปไหนก็ต้องไปไม่มีโอกาสเถียงไม่มีโอกาสจะฝ่าฝืนได้เลยอย่างนี้เดินมากๆช้างก็เหนื่อย ใช่เหนื่อยตายเลยแต่ถึงช้างจะเหนื่อยจริงๆความเหนื่อยก็ไม่ใช่ช้างอีกแต่ช้างคิดว่าความเหนื่อยเป็นตนไงมันสลับซับซ้อนละเอียดนะเนี่ยคือความเหนื่อยที่เกิดขึ้นก็เป็นตังหา ก, กับช้างใช่ไหมครับใช่เป็นตังหาก อย่างงั้นช้างก็โง่น่ะสิครับเข้าใจผิดไอ้ตัวที่พาให้ช้างเข้าใจว่าความเหนื่อยเป็นช้างใช่ควานช้างใช่ไหมครับถูกต้องครับมันเป็นตัวไม่รู้อาวิชาคือตัวไม่รู้ แต่ที่เรามาภาวนาหนี่ก็คือเราเอาควานช้างออกจากช้างใช่ไหมครับถูกต้องอย่างนี้การที่จะเอาควานช้างออกจากช้างนี้เหมือนเราจะจับปลานี่อย่างที่ว่าเราก็ต้องวิตน้าออกก่อนก็ไล่ตั้งแต่กายขึ้นไปเอากายออกก่อนน้ำก็เหลือ 80% อซน์เอาเวทนาออกไป น้ำก็เหลือห0อร์ซนอย่างนี้พอสังขารออกไปก็เหลือส0เอร์ซนเอาละพอขันห้าหลุดออกไปน้ำก็จะเหลือ 20% เอร์ซนเลยละ่ะทีนี้เอาเราออกไปอีกน้ำก็เหลือศูนย์เลยทีนี้เหลือแต่ช้าง ล, ล้วนเลยเหลือแต่ช้างเปล่าช้างอันนี้ก็เป็นอิสระแล้วทีนี้ ไม่มีทุกข์ไม่มีโศกเพราะทุกโศกไม่ใช่ช้างไม่มีอิ่มไม่มีหิวเพราะความอิ่มความหิวก็ไม่ใช่ช้างเป็นสมมุติช้างตัวนี้เข้าใจอยู่ไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายเพราะเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นสมมุติอีกช้างก็ไม่เกี่ยวอีกมันแสนสบาย เพราะไม่มีสิ่งเหล่านี้มายึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานนะเพราะความโง่ตัวเดียวคือความไม่รู้คืออวิชชาพระอรหันต์ท่านเป็นวิชาแล้วไม่มีอวิชชาไม่มีไม่รู้วิชาก็คือความรู้อวิชาก็คือไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเพราะเป็นอย่างนี้มาทุกภพทุกชาติโดนฝังจมอยู่ในความมืด เหมือนฝังอยู่ในดินที่ลึกลงไปเป็นร้อยกิโลก็ว่าได้ไม่เคยเห็นแม้แต่เดือนแม้แต่ตะวันพอมาภาวนาเข้าเริ่มได้เห็นแสงสว่างตั้งแต่น้อยตั้งแต่ช่องเท่าปลายเข็มเห็นแสงสว่างลอดเข้ามาเท่าปลายเข็มก็นับว่าจิตได้มีแสงสว่างบ้างแล้วอย่างน้อยเพราะโสดาบันท่านก็มีดวงตาเห็นธรรมแล้ว ก็คือเห็นตามความเป็นจริงว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเส้นผมนี้มันไม่ใช่ผมเรานี่เป็นของเราที่ไหนเมื่อคีบทิ้งไปมันก็เหมือนกับขนสัตว์ทั่วไปคีบทิ้งลงไปไม่เห็นบอกว่ามันเป็นของเราแต่อยู่บนหัวบอกว่าเป็นของเราสวยอีกต่างหากพอตัดลงไปแล้ว ไม่เห็นมีใครบอกเลยว่ามันสวยงามนี่มันก็ปรุงไปปรุงแต่งไปคุณหมอถามดีนะที่ถามมาเมื่อกี้ว่าไงนะผมลืมไปแล้วผมถามว่าความคิดคือปัญหาของผมทุกวันนี้ความคิดมันมากวนใจคือผมกําลังพิจารณาว่าความคิดความจําและก็ตัวจิต คือทายังไงเราถึงจะแยกให้เห็นว่าความคิดกับความจำไม่ใช่จิตควรจะไล่ไปจากกายก่อนพิจารณากายให้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายนี้มันไม่ใช่เราจริงๆเพราะอันนี้มันหยาบสามารถพิจารณาได้ง่ายๆเอาง่ายๆว่าคนตายทำไมไม่รู้ละ่ะเอาไปเผาไม่เห็นร้องสักนิดเลย เผาจนไหม้เป็นเท่าฐานไปก็ไม่เห็นร้องเลยทั้งๆ ท, ที่เวลาคิดมันก็ต้องใช้กายนี่ครับใช่จิตมันยืมมาถ้าไม่มีกายมันคิดได้ไหมครับไม่มีกายก็คิดได้มันก็ไปใช้กายละเอียดที่เรียกว่าวิญญาณไง วิญญาณนี่เป็นร่างละเอียดเป็นนามธรรมแต่มันก็ถอดไปจากร่างใหญ่นี่แหละคือความโง่แต่มันก็ถือเอากายเดิมที่มันถือไว้ถูกต้องไหมครับถูกต้องมันเป็นสัญญาความจำคือมันไม่รู้ว่าตายสมมุติถ้าผมไม่รู้นี่ตายแล้วผมก็ยังมานอนอยู่ตรงนี้ เพราะกายละเอียดมันนอนคือดวงวิญญาณมันนอนจำได้ว่ากายนี้เป็นของผมไม่สามารถที่จะเดินเหินไปไหนมาไหนได้จำได้ว่านอนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาตายมันก็นอนอยู่ตรงนี้อยู่เรียกว่าเป็นเปรตไงพวกเปรตพวกอสุรกายพวกนี้ตายแล้วไม่รู้ว่าตายนี่คือความหลงมันก็หลงไปหมด บางคนตายแล้วก็ยังตัดยางอยู่เลยคนที่เคยตัดยางถูกรถชนตายมาหยิบตะเกียงก็ก็แก๊กแก๊แกเดินไปตัดยางสว่างโล่ไปนูน่นมันเป็นอย่างนั้นตายแล้วแต่ทำไมเมื่อคืนยังเห็นคนนั้นไปตัดยางอยู่เลยมันตายไปแล้วนี่วิญญาณมันมาจากทางอื่นก็เลยไม่รู้ว่าตนเองตายนี่มันหลอกกันถึงขนาดนี้ชนะ อวิชากรรมจริงๆแล้วทําไมครูบาอาจารย์ถึงจี้ผมมาว่าแล้วหมอเห็นอสุภหะแล้วหรือเห็นอสุภหะของตนเองแล้วหรือผมก็บอกว่ายังเลยครับจริงๆแล้วมันเป็นอสุภหะอย่างคุณหมอผ่าศพผาอะไรบ่อยๆคุณหมอลองวาดมโนภาพออกไป เวลานี้มันปิดบังด้วยความโกหกหลอกลวงทั้งนั้นเอาเสื้อผ้ามาปิดไว้ถ้าเอาเสื้อผ้าออกมันก็ยังมีหนังบางๆมาหุ้มไว้อีกถ้าเผื่อเราเอาหนังบางๆออกไปอีกเราจะเห็นอะไรก็เห็นแต่เนื้อแดงๆเห็นเลือดไหลซึมออกมาเอาเอาเนื้อออกไปอีกชั้นหนึ่งเอาเนื้อแดงแดลอกออกไปอีกเหมือนลอกเป็ดลอกไก่ออกจากกระดูก เราก็จะเห็นตับเห็นไตเห็นปอดเห็นลำไส้ขดกันเป็นวงอย่างที่คุณหมอเคยเห็นมันก็เหมือนกับรังไม้มีซี่โครงชายโครงห่างๆขังพวกมันไว้อาหารในกระเพาะก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งบูดทั้งเนา่าอุจจาระปัสสวาวะอยู่ในนี้ทั้งนั้นไล่ตั้งแต่หัวไปก็มีแต่ขี้หัวขี้ตา ขี้ฟันสิ่งที่มันคายออกมาก็ล้วนเป็นสิ่งสกปรกทั้งสิ้นเลยไม่มีตรงไหนที่ว่าสะอาดไม่มีตรงไหนที่ว่าสวยว่างามเลยถ้าผ่าออกมาดูลอกหนังออกมาดูโอ้ยให้เปร่าเปล่าก็ไม่เอาแต่ที่เราเอามาก็เพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นสุภะเป็นความสวยความงามโดนหลอกลวงไง พยายามโกโหกตนเองว่านี่สวยนะเอาเสื้อผ้ามาปิดไว้ถ้าแก้ผ้าออกมาก็เป็นเปรต ด, ดีๆผมว่าคุณหมอลองพิจารณาดูนะแล้วต้องพิจารณาถึงความจริงว่าเอาไปเผาก็ไม่รู้เลยแล้วทำไมตอนนี้จิตอยู่ในกายก็ว่าเป็นเราเวลาตายแล้วก็ว่าเป็นผีไม่เห็นบอกว่าเป็นเราซ้ำยังรังเกียจซะอีก นี่มันยังไงกันทำไมเราจึงเห็นว่าลูกเราน่ารักมากเลยล่ะครับนี่มันอันเดียวกันเหมือนกับผู้หญิงสวยนะถ้าเป็นลูกเราแล้วน่ารักก็เพราะว่ามันเป็นอุปทานไงลูกคนอื่นก็ไม่น่ารักเหมือนลูกเราเลยนะครับใช่ ท, ทั้งที่สวยกว่าดีกว่าก็ใช่นะครับส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นแต่มันก็หลอกลวงเราไปว่านี่ลูกเรายึดมั่นถือมัน่นอคติก็ว่างัน้นมีอคติลูกผิดก็ยังว่าลูกถูกอยู่นั่นแหละลูกไม่สวยก็ยังบอกว่าสวยสำคัญตน เพราะฉะนั้นเราจะต้องปอกรอกเข้าไปทีละขั้นทีละขั้นกายนี้เป็นศูนย์ของความสุกกรกคุณหมอว่าไหมเป็นถุงหนังที่ภายในสุกกรกที่สุดเป็นสิ่งปฏิกูลทั้งหมดเป็นรังของโรคโรคอะไรต่อมีอะไรเข้ามาอยู่ในกายนี้ทั้งนั้นและมันก็เป็นไปตามการของมันด้วยนะไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ ถึงเวลามันก็เป็นโรคของมันผ่าท้องออกมาดูแล้วก็ไม่น่าเอาเลยแม้แต่ลูกแม้แต่เมียของเราคนที่เรารักที่สุดไม่ว่าเขาว่าเราต่อให้เป็นนางสาวไทยนางสาวจักรวาลก็ว่าเถอะเอามาแก้ผ้าเอามาผ่าท้องดูมีตรงไหนสวยงามบ้างไม่มีเลยมีแต่สิ่งน่ากเกลียดน่าขยะ้ขยแยงทั้งสิ้น เขารักเราหรือเรารักเขาก็เพราะว่ามีจิตครอบครองกายอยู่เท่านั้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วให้ใครก็ไม่มีใครเอาแน่นอนคุณหมอเอาแหมหมูตัวหนึ่งยังดีกว่าเลยให้เขาเขายังเอายังแย่งกันแต่ร่างของคนตายนี่ไม่มีใครเอาให้ใครก็มีแต่ไวบายอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาที่รักกันที่สุดก็ยังไม่เอาเลยถ้าจิตเรายอมรับกับเรื่องของกายนี้เรื่องของเวทนามันจะง่ายขึ้นเพราะมันก็จะละเอียดลงไปจิตจะละเอียดลงไปก็รู้หนักแน่นขึ้นความฉลาดมีมากขึ้นก็ค่อยๆเห็นตามเข้าไปเรื่อยเอยืเพราะฉะนั้นการพิจารณาเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่การจะพิจารณาอย่างนักปริญญาเอาสัญญาความจำมาคิดเอาความสกปรกในตำรามาคิดไม่ได้เอาความสกปรกที่เห็นจากใจมาคิดความจริงพระไตรปิฎกมีสองฉบับฉบับที่เป็นสมมุติก็คือฉบับที่เป็นแบบแปรนที่ท่านสอนไว้อันนั้นนะเป็นเพียงแผนผังหรือแผนที่เท่านั้นให้เรามาหาตาราจริง หาพระไตรปิฎกที่แท้จริงที่อยู่ในใจของเราอันนี้ผมบอกให้คุณหมอฟังเมื่อตอนแรกว่าขอให้มาดูปัจจุบันธรรมอันนี้นะพระไตรปิฎกในใจของเราเช่นหูได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าเอามาจากนี้ทั้งนั้นเลยออกมาจากใจจริงๆเลยออกจากใจก็หมายความว่าเอาทมในปัจจุบันนั่นแหละ เช่นหูได้ยินเสียงกายได้รับสัมผัสในวินาทีนี้เดี๋ยวนี้สมมุติว่าผมจับมือจับแขนคุณหมอจับปุ๊บความรู้สึกอันนี้แหละมันไปกระทบใจของคุณหมอพระพุทธเจ้าเอาตรงนั้นมาสอนเราเพราะใจได้รับสัมผัสกับสิ่งที่มากระทบในปัจจุบันขณะนั้นการได้รับสัมผัสนั้นก็คือตัวธรรมยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งเช่น เวลาเขาสรรเสริญยนยอเราเราก็รู้สึกยินดีปรับรื้มเป็นต้นความรู้สึกอื่นๆเช่นที่มากระทบหูตาจมูกลิ้นกายก็เป็นเช่นเดียวกันทั้งหมดนี่คือพระไตรปิฎกที่อยู่ในใจของทุกคนฉะนั้นเราอย่าทิ้งใจของเราคอยดูแล ว, ว่า สิ่งใดจะมากระทบส่วนใดบ้างเมื่อกระทบแล้วมีอาการใดเกิดขึ้นอีกบ้างทั้งดีทั้งชั่วให้เรารู้เราเห็นตลอด24ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับสนิทนี่คือพระไตรปิฎกฉบับดั้งเดิมขนาดแท้ที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนเรามาเป็นอย่างนี้นี่คุณหมอก้าวหน้าไปเยอะนะ สังเกตจากสมัยก่อนคุณหมอจะไม่ถามอย่างนี้ตอนนี้เริ่มมาใช้ปัญญาแล้วละ่ะเพราะว่าสมาธิมันชักจะอิ่มตัวนี่แหละมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติพอเรามาเริ่มเดินด้านปัญญามันก็จะมีโจทย์เหมือนเราเรียนหนังสือถ้าไม่ได้เรียนคำถามที่จะถามครูบาอาจารย์มันก็ไม่มีแต่เมื่อเรียนไปมันก็สงสัยเอไอนั่นเป็นอย่างนั้น ไอ้นี่เป็นอย่างนี้เราก็เริ่มถามครูบาอาจารย์อันนี้เป็นประโยชน์มากเลยที่เราได้ศึกษาด้านปัญญานับว่าเร็วมากด้วยเข้าใจเมื่อใดกิเลสขาดเมื่อนั้น